ริมา خلق بسم الله الذي لا يضر اس م اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد ا, س وب س إ, أ س ل س و ل اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر รับบีอาอูบุบิค์มิ่อาดับมฟินนารีว์อาดับมฟินลับรีัสลามุอะลัยคุมอะลัยฮุตุลลอฮิวะบารากะตุพี่น้องที่ร่วมนมาตซุบหรือว่านมาตฟ ajar ที่รักทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลลา เราต้องนึกในใจขอบคุณอัลลอ์ฮานูวตาลที่อัลลอ์ให้เรานอนหลับเมื่อคืนนี้และดวอะบทแรกที่เรามุสลิมทุกคนทั่วโลกจะต้องขอบคุณอัลลอ์นึกถึงอัลลอ์ที่อัลลอ์ให้เราหลับไปแล้วก็ให้เราตื่นขึ้นมาซึ่งดวอะที่ท่านนบีสอน ให้เรานึกถึงอัลลอ์เนี่ยผ่านดุอาบทนี้อัลฮัมด am ุลิลลาฮินลยานาบดามะอามาตานาวอิลฮินนชูรนี่เป็นดุอาที่ท่านนบีสอนเราก็ต้องเอาคำสอนที่ท่านนบีสอนเนี่ยเอามาใช้ในชีวิตประจำวัน <c oughs> ขอบคุณอัลลอ์ ที่นมาซูบโบเสร็จแล้วเนี่ยเราไม่นอนเราไม่นอนนอกจากคนป่วยอนุญาตให้นอนได้ท่านนาบีบอกกับลูกสาวของท่านเองชื่อท่านหญิงฟาติมะละติยาลลอของอันฮาบอกว่าลูกเอ้ยตื่นเถอะเพราะท่านนาบีเข้าไปเยี่ยมบ้านลูกสาวหลังนมาซูบโบ มีพ่อคนไหนบ้างไปเยี่ยมพระลูกหลังธรรมสุโบส่วนใหญ่จะไปตอใสายๆแต่นี่เข้าไปหลังไ ป, ไปไปที่บ้านลูกสาวแต่งานแล้วน่ะย้ายครอบครัวแล้วน่ะไปเยี่ยมไปเจอลูกสาวท่านนาบีที่ชื่อท่านหญิงฟาติมาเนี่ยกำลังนอนอยู่นบีก็เอาเท้าเนี่ยเขี่ยๆบ ล, ลุกลุกลุกเพราะว่าเท้าเนี่ยสายตาคนไทยเป็นเรื่องตำ เรื่องต่ำมากเลยแต่ท่านนาบีมองเป็นเรื่องสูงเนี่ยประเพณีนิสยัยนิสัยคนไทยไทยชายเท้าเนี่ยโอ้โหลั ว, วมีเรื่องเนี่ยแต่ท่านนาบีทำเป็นแบบไว้ใช่ไหมชายเท้าไม่ใช่ได้บอกลุกกูมีลุกขึ้นลุกขึ้นการนอนหลังนาะมาซูโบเนี่ย เป็นการยับยั้งคือไม่อยากได้ริสกีของอ oh, ัลลอ์โอ้นบีพูดดีนะย้ำเงาฤกษ์เาหมุซบพพยายามเงาฤก์การนอนตอนเวลาหลังนมาสบุนั่นเป็นการปฏิเสธเรือไม่รับความริสกีเครื่องยังชีพของอัลลอฮ์นบีก็บอกว่าถ้าลูกจะนอนก็ต้องนอนหลังจากตะวันขึ้นแล้วอย่านอนหลังจาก นามาสุโมกจนกว่าตะวันจะขึ้นก็ประมาณสี่สิบนาทีชั่วโมงหนึ่งเท่านั้นแหละที่ที่เราเนี่ยทำไปแล้วขอบคุณเอาล้อนะที่ได้เราเปิดใจนะเนี่ยให้มานั่งอ่านกุรอานแล้วก็อธิบายความหมายของอัลกุรอานวันนี้เรียนกี่อายะเนี่ยห้าอายะใช่ไหมประมาณห้าอายะ <c oughs> ในอัลกุรอานมีทั้งหมดหนึ่งร้อยสิบสี่สรอนี่เรากำลังอ่านทบทวนสูร้อนที่สิบเก้านะครับขอบคุณอัลลอ์นะพี่น้องที่มาที่เรียนตัฟซีหรือว่าอธิบายมานั่งฟังตัฟซีหาความรู้ไปจะตายกันไปหลายคนแล้วนี่รอคนคนค น, คนพูดนี่จะตายแล้วขอบคุณอัลลอฮ์บ ب ح ا ن ه และกะอ ع ا เอามาดูมาดูก huh. ุณอ่านดีกว่านะอายาที่กบสองนะครับล้ย่อมาอูนใฟีฮะละวันอิลลาซาดามะวะละฮุมริซุคฮุมฟฮบุครตวะชย อายะที่หกสิบสองเนี่ยมันต้องบโยงอายะที่หกสิบเอ็ดแล้วก็หกสิบด้วยนะอายะที่หกสิบหกสิบเอ็ดหกสิบสองนี่พูดเรื่องสวรรค์ <c oughs> <c oughs> คนที่จะเข้าสวรรค์เนี่ยก็คือคนที่คนที่เคยทำผิดเนี่ยโอกาสจะเข้าสวรรค์มีสูงคนผิดผิดแล้วเนี่ยอย่าผิดเลย ผิดแล้วก็นี่แหละมาเรียนศาสนาเนี่ยผิดแล้วเตาบ้าตัวนะผิดแล้วเตาบ้าตัวที่นิการเตาบ้าตัวนยายรอยกตัวอย่างอย่างพี่น้องที่ตั้งใจจะไปทำฮัจญีปีเท่าไหร่ปีห้าห้าห้าเจ็ดใช่ไหมห้าแปดห้าเจ็ดห้าแปดตัวนี้ไปไปทำฮัจญ์จะไปจไปกันง่ายๆลายากขึ้นแล้วจองคิว มีก quota ทีนี้บางคนบอกว่าฉันจะกลับตัวทีมั ก, กะก็รอสิเมื่อไหร่จะไปทําฮัทก็ไปกลับตัวแต่ช่วงนี้ขอทําบาปไปก่อนคิดผิดจะคิดถูกเนี่ยเป็น้องคิดเนี่ยคิดผิดนะคิดไม่ทาบาปทําไมช่วงนี้นะรอทําบาปไปเรื่อยๆจะไปขอกลับตัวทีมั ก, กะ แล้วมันเกิดตายในช่วงนี้แหละทําไงอะ่ะโอกาสเจ้าตับกลับตัวมีไหมไม่มีขาดทุนหรือกําไรขาดทุนอิลลามันตาบอกท่านคนที่ทําความผิดคนที่ไม่ได้นามาตัวผิดคนที่ไปทํำดินามา ก, กว่าผิดคนที่ไปทําบาปมาอย่างอื่นไม่ว่าบาปเล็กบาปใหญ่ไปน้องพอสํานึกตัวแล้วต้องเตาบัสพอตาบัสเสร็จแล้วในอัลกรุรอานอักษรต่อไปนะว่าอ้าม่น่ะ ต้องศรัทธาแตนี่การศรัทธาเนี่ยมัไม่ใช่นั่งกันมันนั่งนั่งละมาแบบฝนตกที่ไหนล่ะมันต้องไปเรียนมันต้องไปศึกษาไปหาความรู้ไปขยันอ่านหนังสือนั่งฟังาศาสนานั่งฟังทีวีนี่พี่น้องทั้งหมดเราเนี่ยเป็นการเรียนรู้เรื่อง إ ي มานวาอามีลาซอเลหันแล้วก็ปฏิบัติงานที่ดีๆงานที่นบีสั่งให้ปฏิบัตินปฏิบัติให้หมด ตกลงว่าคนผิดเนี่ยถ้าต้องการจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ต้องทำสามรายการหนึ่งอะไรตาบกับกับเนื้อกับตัวสองเรียนรู้เรื่องศรัทธาสามต้องลงมือปฏิบัติธรรมฟาอุลาอิกยาดุคูลูนัลจันนะพวกเขาจะได้เข้าสวรรค์แน่นอนเนี่ยกุ่านอัลลอ์ให้กำลังใจเราถึงขนาดนี้อ่ะทีนี้ <c oughs> อายาที 68, ب ب ่หกบเอ็ดเนี่ยอธิบายว่าสวรรค์เนี่ยยันนาทีสวนสวรรค์นะอัดนินอัดนินแปลว่าอยู่ไปตลอดอัดนินแปลว่าอยู่ไปตลอด forever forever อยู่ไปตลอดไม่มีวันหมดอายุอัดนินอัลลอฮ์ที่ว่าดาระห์มานุิบะดะูบิลอยสวนสวรรค์เนี่ยนะอัลลอฮ์สัญญาว้ ให้กระเ บ, บาของพระองค์ที่เชื่อว่าสวรรค์มีจริงทั้งที่ไม่เคยเห็นสวรรค์สักทีเนี่ยนะอัลลอ์เล่าใน ก, นรการพิจารณาบอสวรรค์มีเชื่อเลยอัลฮัมดุลิลละท่าคนที่เชื่อเนี่ยแล้วก็อยากตีนมั่นใจว่าสวรรค์มีจริงแล้วก็ทำความดีเตาบ้าตัวแล้วก็เรียนรู้เรื่องศรัทธาเรื่องอีมานคําว่าอีมานเนี่ยมีทั้งหมด70สบ เจดสิบกว่าสาขานะ่ะไม่ใช่อิมานหกข้อนะแค่นี้แหละอิมานไม่แค่นี้แหละเราเอาแค่นี้แหละไม่ใช่อิมานมีทั้งหมดเจ็ดสิบกว่าสาขาหนึ่งในเจ็ดสบสาขาก็คือการเนี่ยมาเอากุรานมาอ่านบททบทวนมาหาความรู้แล้วมาฟังนี่เป็นอิมานข้อหนึ่งแต่ท่านเราก็ลังทำปฏิบัติตามคสาสั่งของอัลลอฮ์อยู่นะทีนี้สวรรค์นี่นะ เป็นสถานที่ที่มนุษย์นึกไม่ออกเอ้จินตนาการอย่างไม่ออกว่าเป็นยังไงแต่นบีพูดอย่างนี้สวรรค์นี่มีจริงหูนี่ยไม่เคยได้ยินตาไม่เคยเห็นมือไม่เคยสัมผัสมา ก, ก่อนคือชื่อเหมือนในายโดดลุยยาแต่ว่าโหมันนึกอะไรไม่ออกยังไงมันสวยที่สุดแล้วทัานคนที่เข้าบิวต์ใตตัวสวนสวรรค์นี่ อ, อัอลลอฮ์บอกว่านะเป็นคนดีที่อลัลลอฮ์มอบให้ เอามาดูอายาที่ห2สิบสองล้ยาสมาวนนะฟีฮาพวกเขาไม่ได้ยินพอเข้าอยู่ในสวนสวรรค์แล้วเนี่ยนะพวกเขาไม่ได้ยินเสียงในสวนสวรรค์เสียงอะไรที่ไม่ได้ยินที่อัลลอไม่ให้ได้ยินเลยเนี่ยไม่เหมือนกับโลกดุนยาใบนี้ตองการจะอธิบายว่าโลกดุนยาใบนี้เราได้ยินทุกชนิด ของคารอมเนี่ยได้ยินหมดเลยใช่ใช่ไม่ใช่เสียงด่ากันมีไหมมีทะเลาะกันมีไหมมีหล่อเสียงเพลงมีไหมมีเสียงกุนอ่านมีไหมมีบางคนแยกไม่ออกเอเสียงกุนอ่านกับเสียงเพลงคงจะพอๆกันแล้วมัง้งฟังกุนอ่านบ้างฟังเพลงบ้างแต่ท่านอยู่บนโลกดุนยานี้ถ้าไม่เรียนรู้เรื่องอิมานนะแยกแยะระหว่างความผิดกับของถูกไม่เปลี ไม่ออกแยกไม่ออกอา้าวอัลลออธิบายเลยนะครับลายสมาเนฟีฮ์ในสวนสวรรค์นะครับพวกเขาจะไม่ได้ยินเรื่องอะไรลากวนัลวนลากวันเรื่องไราสาระเรื่องไราสาระไม่มีโอกาสได้ยินชาวสวรรค์ไม่ได้ยินคำว่าไราสาระนี่อธิบายยังไงหนึ่งด่ากันทะเลาะกันต่อย ก, กัน ยิงกันฆ่ากันสงครามกันเรื่องอย่างนี้ไม่มีซุบซิบกันแล้วก็ด่ากันอิชาลิสยากันเอาแก้งแก้วคว้างหน้ากันไม่มียมงยาวมองเป็นไปทงปท่าไม่มีไม่มีของของไม่ดีไม่มีเลย <c oughs> มีแต่เรื่องดีดีดี ด, ดีอย่างเดียวในสวนสวรรค์ <c oughs> ผู้ที่อยู่ในสวนสวรรค์ น, นั้นเขาจะไม่ได้ยินเรื่องลักรวนเรื่องไรสาระนอกจากอิลลาได้ยินเฉพาะสารามันสารามแปลว่าสันติคําว่าสันติเนี่ยอธิบายได้สองอย่างอย่างที่หนึ่งได้ยินแต่เสียงอัสล า, ามาเลยตุ่มมาลายกาให้สารามอัสล า, ามาเลยตุมนะครับหรืออีกความหมายหนึ่ง มีแต่เรื่องดีดีดีดีดี ด, ด, ด, ดีมีสองความหมายนะพูดแต่พูดแต่ของดีๆหรือมากเกิเสียงซาลามและบางทีก็ซาลามก็มาจากอัลลอฮุด้วยมาจากมัลลิกาด้วยแล้วมาจากคนกันเองด้วยจะเห็นหน้ากันในสวนสวรรค์นเนี่ยนะมีทั้งหมดกี่ชั้นใครรู้บ้างกี่ชั้นร้อยชั้น ในสวรรค์มีร้อยชั้นทีนี้เอาล่ะสัญญาตรงนี้นะเรื่องด่ากันไม่มีอิจฉากันไม่มีแะนั่นคนอยู่สวรรค์ชั้นสูงสุดชั้นฟิลด์เดลส์แล้วก็สวรรค์ชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสเนี่ยเอ๊มันอยู่คนละชั้นเนี่ยมาเห็นหน้ากันมันจะต่อยกันหรือเปล่าไม่มีไม่มีอิจฉากันเอาล่ะถอดออกหมดเลยนะ ก่อนที่จะเข้าสวรรค์นั้นอัลลอฮ์ถอดทั้งหมดออกจากหัวใจถอดหมดเลยอิลลาสล า, ามานอกจากของดีๆอย่างเดียวจากนั้นคนที่อยู่ชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งกับชั้นสูงสุดของสวรรค์เนี่ยเขาเยี่ยมกันเขาไปมาหาสู่กันเยี่ยมเยียนกันอะไรกันแล้วคนที่อยู่สวรรค์ชั้นต่ำเนี่ยไม่มันไส้คนอยู่ชั้นสูงหรอกไม่เหมือนกับปัจจุบันนี้ เอาล้อขนาดนั่งขึ้นบินเนี่นะอะไรอยู่ข้างหน้าุทธสุดน่ะนั่งก็เสียแพงไออยู่ข้างหลังหน่อยเนี่ยรออเไรไปพวกนี้คาคาเมนแมนั่งอยู่ข้างหน้ากินวานกินเบียรไอเรานั่งข้างหลังนี่ไม่ได้กินอะไรเลยกิงของห้ารำในบนข้างบินนั่นแหะเอาและยาสมาอูนฟี่ฮะนี่เป็นน้องตทหารท่านเป็นน้องเนี่ยนะเข้าใจอุปนิสน่ะนะและอิหมาอ่านเนี่ยเออมันก็นึก ลายสมเอาน้าผฮาละกวนอิละลามะนึกเลยอูใจคูชั şey System, ่วนมาใจคูชั่วหมดเลยตะกี goodness, ้น่ะอิหมามอ่านใช่ไหมอินนลมุตตะกีนะอะไรมาฟาซาอินนลินมุตตะกีนะมาฟาซาแท้จริงคนที่ชาวสวรรค์นี่นะคนมุตตะกีนจะอยู่ในสวนสวรรค์ค้อง จะได้รับชัยชนะอย่างแน่นอนอัลลอฮ์อาลรบมอั น, น, นใจมันนึกถึงอัลลอฮ์น่ะนึกถึงอัลม่านของเรานึกถึงความดีที่เราทําอิ il, นนาลิมุตตะลีนะแท็กสาหรับคนที่มุตตะลีนคนที่สํารวมตนจากความชั่วนั้นมาฟาด่าเขาได้รับความสําเร็จแน่นอนนะครับ วาระฮุมริสกูฮุมฟีฮาสำหรับพวกเขานั้นอยู่ในสวนสวรรค์มีริสกีไหมมีครับอยู่ในสวนสวรรค์นี่นะไม่ต้องเหนื่อยแล้วไม่เหนื่อยใครที่เข้าไปอยู่ในสวนสวรรค์ไม่ต้องมาอยู่แบบแบบโลกดุนยานี่ไม่มีไม่เหนื่อยแล้วก็มีริสกูฮุมมีอะไรนะมีเครื่องยังชีพของพวกเขานั้น เตรียมต้อนรับเขาตลอดเวลาในสวนสวรรค์ไม่มีกลางคืนนะไม่มีนะมีแต่กลางวันอย่างเดียวและกลางวันเนี่ยอย่างอ่านคุบดูุอ า, อานต่อไปฟีฮาบุครอเต้าวาชียในมีคือเครื่องยางชีพของพวกเขาบุคหรอแปลว่ายามเช้า ยามเช้าเช้าว่าอาชียะแล้วก็ยามโผลเพลยามเย็นแล้วรู้ได้ยังไงในยามเช้าหรือยามเย็นเพราะว่าครอาบบอกว่าไม่มีกลางคืนแล้วเบียดด่างกลางวันอย่างเดียวคือแสงสว่างเนี่ยอแสงสว่างตอนเช้าเนี่ยอยู่บนดุนยาเรารู้ใช่ไหมโอ้ช่วงนี้มันช่วงเชา้าใช่ไหมทองฟ้าเพิ่งเปิด ใช่ไหมแต่วันขึ้นเห็นเล็กๆในนอนเนี่ยพวกเรามารู้ด้วยด้วยแสงใช่ไหมล่ะในวันเกียงมากก็เหมือนกันเราเราจะรู้ว่าช่วงนี้น่ยช่วงเช้าเพช่วงเช้าเนี่ ย, าายอากาศเย็นไหมเ ย, ย็นสบายแล้วก็ช่วงโครเพยตอนเย็นก็อากาศดีใช่ไหมล่ะไม่ร้อนฉะนั้นในสวนสวรรค์นเนี่ยไม่มีกลางคืนมีกลางวันแต่เรารู้ได้ว่าช่วงนี้ช่วงเชา้า อากาศเย็นสบายแล้วก็ช่วงโคลเพล่ประมาณสักสี่ห้าโมงห้าโมงครึ่งพวกเนี้โอกาสเย็นสบายเห็นไหมช่วงเช้ามีช่วงเย็นมีช่วงโคลเพล่มีฉะนั้นในสองช่วงนี้เนี่ยมีริสกีมีอาหารอาหารที่อัลลอฮฺจัดไว้ในสวนสวรรค์เนี่ยนะกินแล้วเนี่ยนะไม่ต้องเข้าช่วม เดือปวดท้องเข้าวของน้ำหน่อยไม่มีไม่มีเรื่องนี้ไม่มีเรื่องปวดท้องไม่มีเรื่องชีไม่มีเอพอ ก, กินแล้วเนี่ยมันสำลักเผ็ดเกินไปไอไม่มีอยากเข้าวไหมเออทํำยังไงนะในฮะดิษอธิบายดีนะพวกเขาไม่คนที่เข้าไปอยู่ในสวนสวนรรค์กลุ่มแรกนี่นะเข้าไปเนี่ยลักษณะ ของพวกเขานั้นเหมือนกระดวงจันทร์เต็มดวงสวยมากเลยคนที่เข้าไปเดินเข้าไปเหมือนกระดวงจันทร์เต็มดวงแล้วก็ไม่ทมน้าลายไม่ทมน้ำลายแล้วนะแล้วก็ไม่ชีไม่ต้องเข้าห้องน้ำแล้วก็ไม่ต้องเข้าไปถ่ายทุ่งถ่ายทุกขไม่มีและภาชนะ ที่ชาบริการกันในสวนสวรรค์นั้นทําด้วยทองคํานะแล้วก็เช้าสวรรค์มีแต่กลิ่นหอมยิ่งเงือออกเนี่ยพอเงือออกมาหอมเลยอัลลอฮ์เนี่ยหอมอย่างงี้นี่เงือฉันเองทําไมหอมอย่างงี้นี่อัลลอฮ์ตาลาอมอบให้แล้วลวันนี้นะเนี่ยงือเรานะี่ยมีกลิ่นนิดๆยิ่งเสื้อผ้างใสสร้างไปสมาสามสี่เที่ยวตอนนั้นแล้วเรียบร้อย คนที่อยู่ข้างๆยืนน้ำมานนี่น้ำมานไม่กูชช่วนนะยิงไปอยู่ในประเทศอินเดียนะโอ้โหถามผมเฉลิแต่อยู่อาริก้าเมชรายเพราะว่าเขาา้าสารกันอยู่ในกลุ่มพวกเราโอัลลอฮฺอักบัด์ยืนแล้วไม่ไปได้ผ่านอมนแล้วชีวิตชาวสวนสวรรค์นี่ไม่เงาอ่ะที่อัลลอดเตรียมไว้ก่อนนะรรยาสองคน ท่เตียงไว้นะเอาไว้สองคนแล้วพระยาเราที่ว่าแก่แก่ที่นะตอนที่อายุห0สิบมากแก่ด้วยตาก็ย่นผมก็ขาวผิวในสวรรค์ น, นี่นะสวยที่สุดนึกไม่ถึงนี่ระยาจริงหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหทำไมสวยอย่างงี้วันนี้มองพระยาเรานะ่ะแก่แล้วแ ก, อกแ่อีกแต่ a ล l a h ก็สั่งนะุครอานะมาวา ด, ดันวาโรห์มา อยู่บนดุนยาเนี่ยหนึ่งมีความรักมีความอบอุ่นก่อนอุ่นใจอยู่กับภรรยาเนี่อุ่นใจภรรยาพูดเก่งนพูดดีสามีก็รอชื่นใจเราก็มีความรักและรักมากมีความเมตตาอายุเราแก่แล้วเนี่ยนะผู้ชายที่แก่แล้วผู้หญิงก็มองสามีนะ้แก่แล้วเนี่ยแต่ยังสงสารสามีมองภรรยาก็มองด้วยภาพที่สงสารอะเลยหละ มาวัดดะมะกัดสุกูนะมาวัดดราะห์มามีสามอย่างบนโลกดุนยาเนี่ยมีสามอย่างแต่ในสวรรค์นี่นะอัลลอฮ์อายุของชาวสวรรค์ประมาณสามสิบสามปีกำลังหนุ่มและกำลังแข็งแรงเลยกำลังฟอเลย อ, ลอัลลอฮ์อักนี่เล่าให้ฟังก่อนอยากเข้ากันทุกคนนั่นแหละนะแต่เนี่คนจะเข้าสวรรค์ได้ถ้าทำผิดต้องเตาบาตัว ข้อที่สองต้องเรียนรู้เรื่องอีมานอิมานมัจะุบหกข้อนะเจกว่าสาขานําเอามาใช้ในชีวิตประจําวันว่าอั้มวาอั้มมีเหล่าซอหรือฮันแล้วก็ปฏิบัติงานที่ซอแหละเอาคนเช้าสวรรค์ในในสวรรค์ไม่ได้ยินเสียงไร้สาระช่วงเช้าก็ช่วงเย็นนั้นมีอะไรนะมีริสกีมีอาหารบริการอาหารมีสมีสองชนิดอาหารวิญญาณกับอาหารร่างกาย อาหารวิญญาณอะไรรู้ไหม سبحانallah, alhamdulillah, لا า ل ه إلا ا ل า ه Allahu akbar. อยู่ในสวัสรรค์ยีสเกตถึงอัลลอฮ์ตลอดอยู่บนจุนยาณนี่กันเหมือนกันใช่ไหมเวลาพี่น้องมองว่ามีริสกีนั่นอย่าอย่ามองเป็นริสกีเป็นอาหารใส่จานนะไม่ใช่นะอาหารใส่จานก็ส่วนหนึ่ง แล้วก็อาหารวิญญาณอาหารวิญญาณคือนึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานาห์วะตาอะลาจะนั้นเราต้องมีสองรายการอย่าทําตัวเหมือนคนกาเฟตมีรีสกีด้านเดียวด้านอะไรนะด้านวัตถุส่วนรีสกีด้านวิญญาณเนี่ยก็คือการนึกถึงอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์นี่มันเรื่องใหญ่นะอย่าทําตัวเหมือนคนกาเฟตนะอือันที่นี้ ในอายะอื่นอธิบายอย่างนี้วะลลีนาอัมาห์วะตาบะอัตหุมซุรียะตาหุมบิอิมานินลฮะกนาบิหิมซุรียะตาหุมเวลาเข้าสวรรค์เนี่ยมันจะเข้าคนเดียวนะลูกลูกห ล, ลานของพวกเราที่มี إ ي م านเหมือนพ่อฉะนั้นมีลูกมีลูกสาวมีลูกชายมีภรรยาเนี่ย เราต้องการจะอยู่ในสวรรค์พร้อมๆกันอยากไหมอยากก็ทุกคนนะะั่นแหละโอ้โหลูกสาวโอ้โลนั่นหลานโอ้โลอักบัตในอักคุณอ่านอธิบายว่าลูกเข้าไปอยู่กับกับพ่ อ, ก, พอกับแม่อยู่ด้วยกันนี่คุณอ่านพูดเลยนะอัลฮักนาบิฮิมแต่มีข้อแม้ว่าภรรยาก็ต้องมีอีมานพ่อต้องสอนเรื่องอีมานให้ลูก พ่อสามีต้องสอนเรื่องอิมานให้ภรรยาเรียนรู้เรื่องเรื่องเรื่องอิมานให้เข้มแล้วก็ในสวนสวรรค์อัลลอจะให้ครอบครัวเนี่ยไปอยู่ในสวนสวรรค์อัลฮักนาบิฮิมเราจะให้เขาเนี่ยอยู่กับพวกเขาในสวนสวรรค์วามะอัลัตนาฮุมมินอามาลิฮิมชและเราจะไม่ลดน้อยพวกเขาซึ่งการงานของพวกเขาขอให้มีอิมาน ให้ลูกมี إ ي م านทำตัวเหมือนเราเหมือนพ่อพ่อที่ดีภรรยาดีลูกดีมี إ ي م านเท่าๆกันไปอยู่ในสวนสวรรค์มีคนถามว่าแเราคนไม่แต่งงานอยู่กับใครเราอยู่คนเดียวนะแต่เขาให้ภรรยาไปสองคนอยู่แล้วนะภรรยาไม่มีไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, มีปัญหาอยู่บนดุนยานี่ไม่ได้แต่งงานเลยมีป้าบุชายนะ่ะมีนะผู้หญิงก็ไม่แต่งงานมีไม่มีไม่ต้องไปเสียใจเดี๋ยวารอจัดให้เอง ในสวรรณสวรรค์นเนี่ยนะกับโลกดุนยาเนี่ยมันต่างกันนะโลกดุนยาเนี่ยวันนี้ผู้ชายขอผู้หญิงใช่ไหมผู้ชายขอผู้หญิงแต่ในวันกิยามาเนี่ยอาญากับผู้ชายคนหนึ่งมีภรรยาอยู่หรือผู้หญิงคนหนึ่งมีภรรยาสี่คนอยูตัวอย่างคนแรกสามีตายคนที่สองสามีตายคนที่สามสามีตายคนที่สี่ตายพร้อมๆกัน พอไปอยู่ในสวนสวรรค์มีภรยามีสามีอยู่สี่คนบนโลกดุนยาพอตายไปแล้วเนี่ยจะอยู่กับใครอัลลอฮฺให้โอกาสผู้หญิงเลือกแล้วก็ในฮะดิษอธิบายว่าผู้หญิงก็จะเลือกชายสามีที่อยู่บนดุนยาที่มีอัคลากดีที่สุดนางรู้เนี่ยระหว่างสี่คนเนี่ยใครดีที่สุดนางรู้ไหมรู้คนนี้เตะเกง่งฉันไม่เอาอยู่แล้ว ไอคนนี้เราของเงินไม่เคยได้สักทีหนึ่งไม่เอาคนนี้ดีมากเลยเนี่ย อ, อัลลอฮฺอาคุบัตบริการดียิ้มดีเอาใจใส่ดีเลือกคนที่มีอัครากดีอัลฮัมดุลิลละนั้นนในสวรรค์มีอาหารไหมมีกินอาหารแล้วต้องข้าวของน้ํำไหมไม่ต้องข้าปวปวดท้องมีไหมไม่มียาหมองอยาดมยาลมไม่มีใช่ไหม อลอาสุขภาพแข็งแรงหมดเลยอายุเทา่าไรสามสิบสามปีแล้วก็เรื่องเซ็กซ์เซ็กเนี่ยเท่ากับผู้ชายร้อยคนอยู่ในคนคนเดียวถูกเรื่องหมดถูกเรื่องหมดอินชาอัลลอลอรจัดให้หมดเรื่องเหงาไม่มีเรื่องเสียใจไม่มีนะครับอือาต่อมาอีกอาย่านึงนะครับ ยูซบิฮูนัลลอฮฺบุคราตาวะอาชียะพวกเขาสรรเสริญอัลลอยามเช้าแล้วก็ยามเย็นนี่เป็นอาหารอะไรนะอาหารวิญญาณส่วนอาหารหนักหนักก็คืออาหารกินเจนี้คนที่อยู่ในสวนสวรรค์เนี่ยทานอาหารไม่ใช่ทานเพราะหิวนะไม่ใช่ทานเพราะอยากเพราะหิวไม่ใช่ทานอยากจะชิมอ๋อนี่อาหารนิโนใหมให่ๆแล้วชิมดู โอ้โ oh, อันนี้ก็ชิมดูไม่ต้องมีแม่ครัวไม่มีเาลารถจัดให้หมดโอ้โ oh. หทำตัวให้ดีจะข้าไปอยู่ในสวนสวรรค์นนะเอาาเ อ, าเ อ, าเอาแค่นี้ก่อนนะต่อมาอายาที่63ติลกัล卡จันนทุลลตีนูรีสุมินไนบาดินามังกานะตะกิยาติลกัลจันนะ นี่แหละคือสวนสวรรค์ติลกาแปว่านี่แหละอันนี้แหละนะอัจันาคือสวนสวรรค์อัลลาตีซึ่งนูริสุเราได้ทำให้เป็นมรดกเห็นไเรียกว่ามรดกด้วยสเห็นยังอ่ะเป็นมรดกนะที่ดูได้แน่ๆใช่ไหม มรดกนี่ใครเบี้ยวไม่ได้ลูกต้องได้แน่ๆอย่างพ่อมีนที่อยู่พันไร่เนี่ยลูกห้าคนทุกคนได้หมดไหมได้นี่อัลลอ์พูดในกัพิร์อุานสวนสวรรค์ที่อัลลอ์เตรียมไว้นั้นเป็นมรดกเราได้ให้พวกเขารับเป็นมรดกใครครับมินในบาดีนาของปวงเบาของเรา เบาของเรานะพี่น้องจะได้รับสวนสวรรค์นั้นเป็นมารดกเบาแบบไหนครับมังกาณาตกีคือผู้ที่ ต, ตักตี้ผู้ที่สำรวมตนจากความชั่วคนที่ระวังตัวเองอยู่บนโลกดุนยานี่น้ำดุนยาเนี่ยเยอะใช่หรือไม่ใช่ น้ำเต็มเลยมาถึงของผิดผิดของอารามเต็มไปหมดไซนาอุ ม, มัดบอกว่าคาว่าตักวาหรือมุตตะกีนอธิบายอย่างนี้เยินเดินอยู่บนดุญญยาเนี่ยต้องระวังอย่าให้น้ำถูกเสื้อผ้าเดินไปในเดินไปในพงน้ำเนีย่ยเดินยังไงไม่ให้น้ำานี่ถูกผ้าถูกตัวเราก็ต้องระวังใช่ไหมล่ะเดินก็ต้องระวังยกผ้าขึ้นก้ามก้าวบ้างต้องกระโดดบ้างใช่ไหมบางทีก็ต้องลอดบ้าง ต้องทำทุกทุกอย่างเพื่อมาให้ถูกหนามเห็นยังเนี่ยใครอธิบายนะซาวาบานาดีชื่อท่านไซนาอุมาตระเดียร์ล้อใหอันดูคําว่ามุตตะกีนเนี่ยระวังตัวไม่แตะต้องกับของผิดผิดของที่คารอมต้องระวังตัวตลอดนะเดินก็ต้องระวังนอนก็ต้องระวังกินก็ต้องระวังจะไม่ไม่ให้ของคารามเนี่ยเข้าใกล้ตัวเราเนี่ย อัลลอฮ์จะมอบอะไรนะสวนสวรรค์ให้เป็นมรดกสำหรับคนประเภทนี้ที่ระวังตัวเองไม่ทำชั่ว อ, อัอลออลอยิ่งใหญ่มากเลยตัวรองว่าคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยคือสร้างความเจริญให้กับลูกใช่หรือไม่ใช่ ไ, ไ ม, ไม่ไม่ได้ทำบาปอะไรในวั น, วนๆนัน่นสร้างความเจริญให้กับสังคมไม่ทะเลากกับคนไม่ด่าคน เมื่อถูกด่าแก้แค้นไหมไม่แก้ยังเหมือนใครเหมือนท่านนาบีมอม o m a ไหผมเคยยกตัวอย่างมีสบาบ้านบางคนมีคนดีๆในสมัยหลังจากนาบีเนี่ยนะถูกดา่าถูกตำหนิถูกว่าท่านได้ยินท่านไม่ได้โกรธเนี่ยถ้าว่าเดินกลับบ้านพอเดินกลับบ้านก็บอกบอกลูกๆลู ก, ลกไปเอากะละมังเอาจานมานะ เราอินเพรามใสให้เต็มเลยลูกเอาไปให้ให้การให้บา้านู้นทำไมล่ะพ่อโมเช้าเนี่ยพ่อเดินผ่านมาเขาด่าพ่อไม่ใช่ดา่าเ้าบอกว่าเขาโอนความดีผลบุญเข้าบัญชีพ่อเขาเอธิบายให้ลูกเขาฟังนะการที่พ่อถูกดา่าถูกตำหนิถูกแอนตี้อะไรก็าตามเนี่ยนะพ่อไม่ได้ผิดนะแต่เขากําลังโอนบัญชี ของดีเข้าบัญชีพ่อแค่นั้นพ่อไม่รู้อะไรจะตอบแทนว่าส่งอินทพาหมสดไปให้บานนั่นเอาล่ะเห็นยังนั่นคนดีอยู่โลกดุนยาใบนี้ยังเงี้ยไปสวรรค์ไหมน่จาจะไปไปสวรรค์อะอย่างนี้เป็นต้น อ, อัลฮัมดุลิลละนะครับ ติลั尔จันนทุลตินูริสุมินไอบาดินามังกาณาตียา Allah. อัลลอฮฺบอกว่านี่แหลคือสวนสวรรค์ซึ่งเราได้ให้ผู้สำรวมตนจากความชั่วแห่งบาวของเรารับเป็นมรดกเข้าไปครอบครองอัลลอฮรับแบบสงางามเลยนะ รับแบบมีสิทธิ์ด้วยเป็นมรดกนี่ภาษาของอัลลอฮ์ภาษาคุรานเพราะมากครับพี่น้องอัลลอฮ์อัลลอ้าต่อมาครับคาอธิบายกุลอ่านกับกุลอ่านด้วยการอธิบายอย่างนี้คนแรกที่เข้าไปอยู่ในสวนสวรรค์แล้วก็เชิญออกมีใครบ้างนบีอะไรนบีอาดัมอัลลอฮ์ Allah, ให้อยู่ในสวนสวรรค์นะเสร็จแล้วก็อัลละเชิญออก นี่เป็นเป้าหมายอาลัลลอ์ต้องการให้มนุษย์ได้ใช้ปัญญานาบีอาดัมเนี่ย <c oughs> เข้าสวรรค์ไม่ใช่เพราะความดีความเดินอะไรหรอก น, อะนะอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์เชิญ อ, อ, อาดัมออกเดี๋ยวนี้ถ้าจะเข้ามาอีกทีหนึ่งต้องมีอามันติซอแล้วต้องมีถ้าเปนคนผิดนะตาบะมีอีมานแล้วก็มีอามันติซอลแล้วต้องมีสามรายการอ่ะคนจะเป็นคนดี ต้องมี3รายการเป็นคนผิดก็ได้แต่1ต่าบะ2 อ, อีมาน3อามันที่ส่วนแล้วพี่ต้องจําเลยเขียนแป8วะธิฝาประหนังเลยถ้าจะไปสวรรค์ถ้าทำผิดตาบะข้อที่2อามันขอที่3 อ, อ, า ม, าอมีอลาโซลิฮันอัลล้าหักว่าอทีนินี้ในอัยะอื่นอธิบายอย่างนี้นะครับอธิบายบอกว่า วันละดีนะอามานูวามิลซอ ح ิฮแท้จริงคนที่เรียนรู้เรื่องอีมานแล้วก็ทำงานที่ซอนและคำว่าสอนและก็อธิบายดีนะต้องทำตรงกับที่สุนนะนบีได้สอนเอาไว้ถึงจะมีผลบุญต้องทำตามที่ท่านนะเขาว่ามูวาฟะกับิบสุนนะตรงกับที่สุนนะนบีสอนอา้าวจะทำอะไรก็ตามแต่จะนมาดให้เหมือนกับท่านนาบีสอน จะอานน้ำนามธรรมเหมือนกับท่านอบีุลอนจะทําความดีที่เป็นอัมมานติซอแล้วนะจะเรียกอัมมานติซอนแรกได้ต้องหนึ่งทำตามสุนนะฮ์นบีสองทำด้วยความอิคลาสบริสุทธิ์ใจคําว่าบริสุทธิ์ใจหมายความว่าทําแล้วไม่หวังชื่อเสียงตําแหน่งเกียรติยศแต่หวังอะไรความตอบแทนรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮฺสุบฮานาหูวาจาล้นะครับ อีกขายนหนึ่งอธิบายอีกกุรานอธิบายกุรานนะวานาซานาฟิสุดูริฮิมินริลลินเราเอาลัลลอฮ์เนี่ยได้ทอดได้ทอดเอาเข้าวกับเอาทอดก็ทอดออกนะนาซาณ่าเราเอาทอดออกมินสุดูริฮิมจากหัวใจของเขามินริลินเรื่องมนมอง เรื่องทุกเรื่องเศร้าในใจไม่มีก่อนจะเข้าสวรรค์อลัลลอฮ์เอาเรื่องเรื่องไม่ดีไม่ดีใ น, ในใจเนี่ยอัขนขณะนี้ในะพวกเรานะ่ยมีเรื่องหมุนหมองในใจเยอะไปหมดวิธีขจัดทําไงรู้ไหมมีเอา إ ي م านมาบังคับซะ إ ม م ا ن ถ้า إ ي م านมาบังคับครับจบไหมจบเลยจากนี้ในสวนสวรรค์ น, นี่นะอัลลอฮ์เอาห อ, า อ, อเองเลย พออยู่บนดุญญานี้เอาอิมานมาเป็นตัวกำกับชีวิตผมนึกถึงลุงชายกรรษัตริย์คนหนึ่งชื่อตูก้กนรักใจมูดที่เล่าให้ฟังแล้ว น, นะนะไม่อยากไม่อยากเห็นหน้ามุสลิมน่ะก็ไปเจอกรรษัตริย์ไม่ใช่จัดไปเจออุลมามะคนหนึ่งชื่ออะไรนะยามาลุดดีนเขาบอกไปจับมาที่ประจับมุสลิมคนนี้มา พอไปจับมุสลิมคนนี้มาเสร็จแล้วก็มานั่งลูกชายกษัตริย์เนี่ยดูถูกมุสลิมขนาดไหนถามว่าคุณกับสุนัขชั้นเนี่ยใครดีกว่ากันแล้วก็จมาลุีต่อว่ายังตอบไม่ได้ต้องรอให้ถึงวันตายก่อนอุลมาคนึ่งฉลาดนาดูอลัลลอฮ์ให้ตอบม า, มาจะตอบมาแล้วจะตอบว่าฉั้นดีกับหมาก็ถูกตัดคอ ก็บอกว่าถ้าหากฉันตายในสภาพที่ฉันมี إ ي م านฉันดีกว่าสุนัขของท่านโอ้โูหแต่ถ้าหากว่าฉันนี่นะตายในสภาพที่ฉันไม่มี إ ي م านสุนัขของท่านดีกว่าฉันแน่นอนลูกชายกระสันไม่เคยได้ยินคําว่า إ ي م านได้ยินแต่เรื่องอย่างอื่นหมดเรื่องทะเลาะกันด่ากันแย่งกันอะไรกันเพชรปะอะไรปะกวากันไปนะเสร็จแล้วก็ อธิบายถึง إيمان แปลว่าอะไร إ ي م านก็คือคนที่รู้รว่าใครเป็นผู้สร้างตัวเองคนนี้แหละเป็นคนที่มีอีมานและรู้ว่าโลกนี้ใครบริหารนั่นแหละเป็นคนที่มีอีมานและใครที่เชื่อว่าตายแล้วฟื้นฟื้นแล้วตรงไปยืนอยู่ตัวนั้นอัลลอฮ์จะถูกคิดบัญชีนะ่ะเป็นคนที่มีอีมานไม่เคยได้ยินสิ่งเหล่านี้ทั้งชีวิตไปนองเอาละเรื่องมันยาวสรุปแล้วรับอิสลาม เห็นไหมจะนั่นเรื่องอิมานเรื่องใหญ่ที่สุดฉะนั้นถ้าจะให้ครอบครัวเราเนี่ยไปพบกันอีกครั้งหนึง่งภรรยาสามีลูกลูกหลานหลานให้ลูกมีอิมานให้สามีมีอิมานให้ภรรยามีอิมานเรียนรู้เรื่องอิมานในชะลอตายแล้วฟืน้นฟื้นแล้วต้องไปอยู่กันใหม่อีกครั้งหนึ่งในสวนสวรรค์ฟ่นจัน่นหะนักอัลฮัมดุลิลละกับี่น้องเอาสรุปเรื่องอิมานเรื่องเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องใหญ่นะ อทิีนี้ <c oughs> ในสวนสวรรค์เรียมีทั้งหมดร้อยชั้นไม่ทะเลาะกันหัวใจตรงกันหมดไม่อิจฉาไม่โกรธไม่เครืองไม่ผูกพยาบาทถึงแม้ว่าจะอยู่กันคนละชั้นก็ไม่อิจฉากันรัตต่างคนก็ตามเยี่ยมเยียนซึ่งกันและกันดีไหมถามว่าเยี่ยมเยียนเนี่ยใช่อะไรอ่ะอยากนั่งอะไรนึกเยอยากนั่งอัพพรโลของอเมริกามีอพพรโลมาจอดเลยแ จะนั่งบูรอกแบบนบีขึ้นไม่อรอถมาเลยเอาจัดให้หมดอ่ะจะนั่งรถอีแตงมาเลยเอาอยากจะไปเยี่ยมญาติกันอัลลอฮมันเข้าวสวรรค์อยู่ชั้นห้าเราอยู่ชัน้นสุดดาวเนี่ยเยี่ยมกันเยี่ยกนกันได้อิจฉากันมีไหมไม่มีอัลลอฮฺอักบะรนี่ฮะะดิษอธิบายนะอัลฮมะดิษบุคอรีด้วยนะ อะครับดูละทีนี้ลักษณะของคนที่จะเข้าสวรรค์บนดุลบนดุญยาเบ น, นี้หะดิษอธิบายอย่างนี้นะหนึ่งเชื่อฟังอัลลอฮ์ปฏิบัติตามอัลลอฮ์อัลลอ์เนี่ยทิ้งไม่ได้เลยนะหนึ่งเชื่อฟังอัลลอฮ์ปฏิบัติตามอัลลอฮ์ในที่ลับและที่เปิดเผยบางคนเนี่ยต่อหน้าคนเนี่ยดีพรลับหลังไม่ดีมีไหมมีอย่าทำลับหลังหรือต่อหน้า วางตัวเสมอข้อที่สองให้บริจาคในยามทุกในยามลาบากกับยามสุขบริจาคไปเลยสม่ามเสมอมีมากให้มากมีน้อยให้น้อยแต่ไม่เมื่อเงินไม่มีพูจาพอเพราะผูจาดีๆเป็นเป็นเป็นการสซกตากทั้งหมดนะข้อที่สามเนี่ยให้อภัยกับคนที่ทำอะไรไม่ดีกับเรานี่ลักษณะคนดีจะเข้าสวรรค์นะนะ ข้อที่5ไม่โกรธไอโกรธมันโกรธมีธ ด, ดุกคนทุกคนเพราะอ่านกุ آن, Allah, ่อานอัลลอฮฺวะเบลกาซิมินะลออิละวาลาฟินานินนัสให้อภัยกับคนที่ทำไม่ดีกั็รักอัลโลอฮฺให้อภยัยนี่ไงลักษณะแบบนี้อยู่บนดุลยานี่ใครที่ครองลักษณะแบบนี้อิจรอัลลอฮฺเขาได้อยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาเลา อีกอายาหนึ่งอธิบายว่าละหุมละกุมฟีฮาฟากิฮะกาซีหรอในสวนสวรรค์เนี่ยมีผลไม้เยอะเดี๋ยวนี้นะเนี่ยตามเมนูอาหารที่ถูกต้องนะกินแล้วสุขภาพดีนะอินทพลัมพยายามทานทุวนันวัละเม็ดสองเม็ดสามเม็ดแล้วก็น้ำผึ้งวัลช้อนนะแล้วก็นมนมอะไรนะ นมแพะนะยิงนมอูดยิ่งดีใหญ่คอเลสเตอรอลไม่มีเลยใช่ไหมสามสุ ร, รายการเนี่ยนะพยายามรักษายาฮูดีเนี่ยนำเอาไปใช้แล้วก็พวกยาฮูดีไมเนี่ยมันผลิตยาขึ้นมานะแต่มันไม่ได้ให้พวกยาฮูดีทุกกา่นนะกินยานะยานี่มาส่งมาขายไปทั่วโลก ว, นนวิตามินนู่นวิตามินนี่แต่พวกเขาเนี่ยอาซูน่านาบีไปใช้ แต่พวกเราในวันนี้เดินตามยาูดีกันหมดเอา้านี่บอกให้รู้นะภรรยาเราเนี่นะครับเวลาท้องนี่นะให้กินอินทรพลัมแล้วก็ทํางานเดินออกกําลังกายทํางานในบ้านนี่แหละคลอดลูกก็ ง, ง่ายด้วยแล้วอ่านคุรานเยอะๆยูดีนํานมาไปใช้แต่เวลามาส่งออดมาส่งออกของฮารามของเลวทั้งหมดเนี่ยแล้วพวกเราเนี่ยเดินตามยาูดีอยู่วันนี้ แต่กลุ่มมันเองเนี่ยนะอลัลลอฮ์เขาเอาอิสลามของนบีมุฮัมมัดไปใช้เพราะเขาเชื่อนบีมุฮัมมัดเรามาทะเลาะกันอยู่เลยสุนน่านบีฉันไม่เอาเข้าวครองฉันไม่เอาเข้าวโซล่าฉันฉันเอาเข้าบ้านฉันไม่ใช่ศัตรูเอาอิสลามเอาสุนน่านบีเข้าบ้านเขาเอ็กซ์พอร์ตของที่อะไรนะของที่ไม่ดีให้ชาวโลกใช้นะครับต่อมาอายาที่สี่สิบสี่หกสิบสี่ ว ن َ ز َّนُ إِلَّا ب ِ أ َบْ ر ِ ر َ ب ِّบَ لَهُ مَا بينأيدينا وَمَا خ خلفنا وَمَا بَيْنَ ذلك كَانَ ر َ ب ُร ك บ نَسِيًّا พี่ต้องครับถ้าอ่านควรอ่านไม่อาศัยตาฟีดมึนพอคุยเรื่องสวรรค์ดีๆป้าเอาลอกคุยเรื่องอื่นแทนเพื่อให้เราใช้ปัญญาไม่ไม่ต้องเป็นโรคอัลไซเมอร์อ้าวอาย่านี้ อ, อิมาบุครีอธิบายอย่างนี้ท่านนาบีมุฮัมมัดเนี่ยนะต้องการอยากจะพบท่านยิบรีเนี่ยบ่อยๆนบีมนะุฮัมมัดนั่งอยู่ข้างล่างเนี่ย นั่งอยู่บนพื้นแผ่นดินอะมาลาอิกาอยู่ข้างบนเอาล้ออยู่บนชั้นฟ้าเลอะชั้นฟ้าชั้นที่เจ็ดนกาบัลลังก์อยู่ตรงนู้นอยากให้มาลาอิกาเิบรีเนี่ยลงมาหาท่านนาบีบ่อยๆทีนี้พอท่นานบีประกาศว่ามีคนมาถามนาบีบางสิ่งบางอย่างนาบีก็ต้องรออยานนห้านาทีสิบนาทีรอคำตอบนะใช่ไหมล่ะ อัลลอฮ์ตอบมายังไงนบีเนี่ยไม่จะตอบปัญหาเองนะด้วยวาฮีทั้งหมดบางทีเนี่ยนั่นยิบรีนมาชา้าก็ถูกชาวบ้านตำหนิกูว่าแล้ว <c oughs> ถามนาบีนบีมาจะตอบบางที <c oughs> เป็นห้าวันสิบวันก็มีใช่ไหมเออเรื่องอะไรที่ผ่านๆมาเนี่ยนะ อ, อ่าอาชาบุลกาฟีบางอาไรบางพูเนี่ยกูว่าแล้วมา ชายตอนไม่ไมาหา ن บีแล้วนบีนบก็เสียใจ อ, อ่ะทีนี้พอนบีพอจิบรีลงมาป้บาบนบีก็ถามว่าทําไมมาหาฉันน้อยเหลือเกินเลยมันน่าจะมามากๆอ่ะคําตอบว่ามานาตาณจาลูมาลาอิก้าตอบกับตา บ, บีบอกว่าเรามิได้ลงมาเองอามานาตาณจาลูเรานี่นะ ไม่มีสิทธิ์ลงมาเองเห็นยังเรื่องศาสนาเนี่ยเอาปัญญาไปใช้ไม่ได้ต้องฟังจากข้างบนอย่างเดียวเลยนี่ยิบรีนนะตอบอัลลอ์สั่งให้ยิบรีนตอบตอบกับมุฮัมมัดหมดถามว่าทำไมลงมาช้าอยากให้มา ท, ทีีมาวันสักสิบเที่ยวรอดได้ไหมมาลัยกาตอบว่ามานาตนาณาลู เรานี่นะมิได้ลงมาเองตามอำเภอใจจะลงแต่ละครั้งนั้นอิลลบิอัมริรอบบิกเว้นแต่ด้วยพระบัญชาของพราผู้อาภิบาลของท่านเท่านั้นตน้องการจะบอกให้รู้ว่าขยับปีกฉันเนี่ยนะถ้าอัลลอฮ์ไม่สั่งไม่มีสิทธิ์เนี่ยยิบรีนบอกกับนบีมูฮัมมัดเอ้ย ปีของฉันเนี่ยจะขยับทีนึงนะถ้าอาลัลลอฮ์ไม่สั่งฉันไม่ฉันทำไม่ได้เห็นอย่างฉันั้นต้องการที่จะอธิบายอยายะที่ผ่านมาทั้งหมดว่าคนชาวสวรรค์เนี่ยถ้าจะไปสวรรค์ทำตัวแบบมลาอิกาสิถ้าอาลัลลอฮ์ไม่สั่งนะอย่ะขยับไปขยับทำไมในะเมื่ออัลลอฮ์ไม่ได้สั่งแคนี้ อัลลอฮ์ให้เราน่ยมาดูตัวอย่างนบีมูฮัมหมัดเป็นแบบท่านบีไม่ไม่ทำอย่าทำทําทําไมขนาดมันลิกาะาเน่ยอยู่ใกล้เชิดอัลลอฮ์เนี่ยพูดเองนะมานาตานัซาลูเรามันจะลงมาเองนะมูฮัมหมัดเอ้ยเราเนี่ยไม่สามารถลงมาตามอาเภอใจได้อิลลับิอัมริรับบิคนอกจากพระบัญชาของพระผู้อาปีบาลของท่านศัก ถ้าอัลลอฮ์ไม่สั่งลงไม่ได้ทั้งๆ ท, ที่ลงมานะ่ะดีไหมดีกับมุฮัมมัดนั่นแหละดีกับอิสลามนั่นแหละดีกับอุมาในมัตมันไม่ใช่ลงสเปสปาเนหะ็นยางอัลลอฮ์บักว่านี่สอนใจเราถ้าจะไปสวรรค์ต้องทำตัวเหมือนมลาอิ ก, กานี่คำอธิบายของอุลมามะนะโอ้เอาต่อมาครับละหูมาใบานาอดีนาะ เป็นของพระองค์ทั้งหมดคำว่าลาหูเนี่ยเป็นของอัลลอฮ์ทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวอะไรมาใบนาะไอดีนะที่อยู่เบื้องหน้าของเราที่อยู่เบื้องหน้าอุละมะอธิบายอย่างนี้โลกอาคิระทั้งหมดชีวิตตั้งแต่อยู่ในกูโบฟื้นขึ้นมาอยู่ในทุ่งมาชัดมีนรกมีสวรรค์มีการลงโทษเป็นของอัลลอฮ์ ว่ามาคอนฟานะและที่อยู่เบื้องหลังของเราก็คือโลกดุญญนยาใบนี้อธิบายทีสองอย่างนะใบไอใบนาไอดีนะนะที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันนี้โลกดุญญนยาใบนี้มีเจ็บไข้ได้ป่วยมีรวยมีจนมีเพช ร, ม, พชรมีพลอยมีคนอยู่จําณวนเจ็ดันล้านคนนี่เป็นของอัลลอ์ทั้งหมดชานฟ้าแผ่นดินเป็นของอัลลอ์แล้วก็ ข้างหน้าอีกตั้งจากในกูโบเรื่อยไปถึงโลกอาคิอร์นรกสวรรค์การลงโทษนั่นเป็นของอัลลอฮ์ทั้งหมดนี่จิบรีน ล, ลงมาบอกให้นบีฟังละหูมาบนาอดีนาวมาคัลฟนาวมะบนาดาลิกะและที่อยู่ในระหว่างทั้งสองอธิบายยังไงที่อยู่ในระหว่างทั้งสองคือระหว่างเนี่ยระหว่าง เนี่ยโลกดุนยาจะหมดอายุเพราะมีมลออิกะเป่าสังใช่ไหมเป่าแบบไหนวันวออันแล้วอ้าวเป่าจนปูตายหมดเลยแล้วก็เป่าอีกทีหนึ่งปูฟื้นหมดนี่อะวามาใบนะาหูมาระหว่างเป่าสังครั้งที่หนึ่งกระเป่าสังครั้งที่สองเป็นของอัลลอฮ์เราไม่รู้เลยยิบรีลงมาบอกมุฮัมมัด นบีตดำนี้มหาฉันไม่บ่อยนี่สิยิบลินอธิบายเลยยาวเลยฉันเนี่ยลงเองไม่ได้นะขยับปีกของฉันนิดนึงอีกปีกนี่ไม่มีตัวเนแต่คาติฟิสอธิบายขยับปีกนี่นะอลัลลอฮ์สั่งไม่สั่งใจขยับไม่ได้แล้วบอกให้รู้ว่าสิ่งที่อยู่บนโลกดุนยาใบนี้เป็นของอลัลลอฮ์อาขิร็ก็เป็นของอลัลลอฮ์ในระหว่างเป่าสั่งครั้งที่หนึ่งกับครั้งที่สองนี่ยห่างกันสี ไม่รู้ว่าสีอะไรนะ่ะสี่วันสี่สิบวันสี่สิบไม่รู้ว่าสี่อะไรไม่รู้สี่เดือนสีป่ปีอะไรก็ไม่รู้ระหว่างนั้นก็เป็นของอัลลอฮฺอัลอาบละทั้งหมดเลยนี่ยิบรีน ล, ลงมาเล่าให้นบีฟังอย่างนี้อิมานนบีเพิ่มมาอู๋เราอ่านกูอ่านเป็น้องเราอิมานก็เพิ่มมาทมดุลิเลเป็น้องทั้งหลายเอาทีนี้วะมาการอบบูกนาราศี และพผู้อภิบาลของท่านมีทรงหลงมีพงลืมอลัลลอฮ์ไม่ลืมนบีมุฮัมมัดรอกนี่ไงให้มันเพราะมีผู้หญิงเคยว่านะมุฮัมมัดนะ่ะแย่แล้วยิบรียนไม่ลงมาหาแล้วมาละใช้ตอนไม่ลงมาหานาบีแล้วต้องการจะบอกว่าไม่ใช่อลัลลอฮ์ไม่ลืมคําว่าไม่ลืมนบีมุฮัมมัดลืมพวกเราอลัลลอฮ์ก็ไม่ลืมด้วยยกตัวอย่างคนเดียวพอฉันไม่ลืมนบีมุฮัมมัด มนุษย์คนอื่นฉันก็ไม่ลืมีรีกอนหมดเลยเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยบัญชีมีหมดแล้วไออยู่ในบัญชีแล้วขึ้นตักบิดอัลลอง์บัตบัญชีขึ้นแล้วสุบรานอัลลอฮปต้นไม้ปลูกแล้วในสวนสวรรค์ของมนุษย์เนี่ยถูกบันทึกทั้งหมดอย่าไปนึกนะคิดว่าอัลลอฮ์ไม่ได้บันทึกบันทึกทั้งหมดแล้ว ความดีความชั่วที่เราทำนั้นถูบันทึกจากรถอลา ท, ทั้งหมดเลยนะครับอ่ะทีนี้อิหม่ามอัมัดอธิบายอย่างงี้นะบอกว่าอุมมุสลามะได้อธิบายบอกว่าท่านนาบีเนี่ยพูดกระชานครั้งหนึ่งนบีบอกว่าสุลามะจะมีภรรยานะอัสลิฮีลานาอัลมัจลิสเนี่ยดูแลสถานที่ที่นั่งอะ ให้มันสะอาดหน่อยนบีสั่งภรรยาบอกว่าดูแลที่นั่งให้สะอาดในบ้านที่บ้านนาบีนะจัดบ้านให้สะอาดทําไมอ่ะเดี๋ยวมาลายิกาเดี๋ยวแขกจะมาอ่าในาพิว่าจะมีแขกมาพยาถาว่าใครอ่ะมาลายิกาเห็นยังอ่ะอาจนั้นต้องการจะบอกพวกเรานะบ้านเราวันนี้ต้องสะอาด นบีสัางพระยาจัดบ้านในสะอาดเดี๋ยวแขกจะมาใครอะมาลาอิกาอัลลอฮอักวาตแขกนบีมาใช่ไอมัดไอมุดธรรมดานะระลาอิกาลงมาชั้นฟ้ามหานบีอะจะต้งจัดบ้านในสะอาดวันนี้เตือนเราเหมือนกันบ้านมุมิงมาลาอิกามาเยี่ยมทุกวันแต่มาเข้ามาเจอบ้านสกครกไอา ย, ยาดูสิดูสิสอ่ากอ่านแท มันอ่านฮะดิษแผลบมันปล่อยให้ภรรยามันสกปรกอยู่ได้ยังไนงนึกต้องต้องสะอาดไปนะ่นาะบ้านมุสลิมต้องสะอาดอัลลฮฺมดุลิเลาห์อัลลอฮฺอักบะดเห็นอย่างครับงั้นการแต่งเรื่องแต่งตัวต้องสะอาดต้องเรียบร้อยอลัลลอฮฺอัลกุบะดเพราะว่าเป็นของอัลลอฮ์ทั้งหมดน่ะอ่าบ้านเนี่ยอัลลอฮ์ไม่รู้นะ ร, รู้มีของขลามซุกอยู่รู้ไหมรู้ ในตูเย็นมีของฮารามอยู่รูปอีกอายานหนึง่งอีกหะดิษบทหนึง่งอธิบายอย่างนี้สาเหตุที่รอซูลเนี่ยรอท่านยิบรีนยิบรีนมาชาเนีย่ยิบรีนก็เคยมาบอกนบีครั้งหนึ่งนะมาบอกว่านบีถามว่ามาฮัสบ ah ุกายายิบรีนทำไมคุณมาชาเลยเกินน่ะมาหาชันชามาก ยิบรีนก็ตอบาว่า ว, ว่าใกล้ฟนาติกุมเราจะมาหาท่านได้ยังไงว่าอันตุมลาตะกุูนอัฟาเรากุมคนนี้มันจะตัดเล็บเตือนบอกสวบานะบีของคนทั้งโลกนะ่ะมาลาอิกาจะเข้าบ้านใครนะบางทีไม่เข้ามาเจอเจ้าของบ้านเล็บยาวอันไม่เข้าท่านภรรยาเราเก็บเล็บประทรรมรายยาวเป็นคืบๆสองๆเราเองก็เหมือนกันเนี่ย เคยตัดเล็บวันศุกร์นีสองวันศุกร์แล้วเล็บยาวไม่ได้ตัดเวลาไม่มีขาดทุนขายไม่เข้ามรัยกาไม่มาเอาข้อที่สองวลาตังเก้านะ่ะบารอยืมมากุมแล้วก็มาได้ชำระอะไรนะ่ะคนลับติดเอาไว้ก็ให้สี่สิบวันอันนี้แปดสิบแล้วมรัยกาไม่เข้าบ้านนะ่ะ อต้ตอมาเวาลาตะครุนอชาวาเรียบกุ้มเนี่ยนวดเข่ามา่ได้เคล็บเลยเนี่ยถ้าเป็นฮินดูไปได้เอาขึ้นบ้างเอาลงบ้างเอาล็อมันต้องเคล็บนวดนี่นะนบีสอนทางนวดมันยิบรีน ล, ลงมาบอกมุฮัมมัดเอย๋ยยิบรีนมาเนี่ยนะไม่ใช่มากันง่ายๆหรอยนะมาเจอบ้านใดที่เจ้าของบ้านเนี่ยรอสูรุ่ยสูได้ ของบ้านมาด้อาบน้ำอาบท่าขนรักแรยาวขนใต้ร่มผ้ายาเป็นเป็นเป็นไปเป็ น, เ ป, น, เ, ป น, เ, ปนเป็นคืบแล้วก็ฟันก็มาด้แปลงเนี่ยมันีก้าไม่เข้าอ่ะเห็นอย่างครับนี่มาบอกเตือนกับนบีให้นบีบอกให้ประชาชนทั้งหลายจะรับทราบวันนี้ขับห้ามดุลละพี่น้องอัลลอฮฺอักลัฮฺอาทีนี้ คำว่าอัลลอ์ไม่ลืมเนี่ยในครอกุรอานอายะอื่นมีอีกว่า ด, ดุฮาวัไลลลาซาจามาวดากรอบบูกะวามากลอัลลอ์ไม่ลืมอัลลอ์ไม่หลงอัลลอฮ์นึกถึงตลอดเวลาเรื่องของมนุษย์โดยเฉพาะนบีฮัลมาซอลลัลลอฮอาตีนี้นี่ต้องการจะอธิบายว่าเราจะเข้าสวรรค์นเนี่ยนะทำตัวเหมือนใครนะเหมือนมลลอิกะ อ่าทำตัวเหมือนมาลาอิกานะเชื่อฟังอลัลลอฮฺยิบรีนจะลงมาข้างล่างมาพบนบีเนะ่ะลงเองได้ไหมไม่ได้จะต้องได้รับอนุญาตไฟเขียวจากอาลัลลอฮฺก่อนนี่ยิบรีนบอกกับนบีทําแล้วก็นบีก็ต้องการจะอธิบายให้พวกเราฟังว่าเราเองทําตัวเหมือนยิบรีนะะบ้างเหมือนมาลาอิกาบ้างอัลลอฮฺอย่าทําตามใจตัวเองใช่ไหมอย่าทําตามใจตัวเอง ไออารมณ์ตัวเองน่ะส่วนใหญ่มันจะโน้มเอียงไปในทางไหนทางชั่วชั่วทั้งหมดอันนี้เป็นต้นเอาอายาที่65สงสัยไม่หมดรับบุษมาวาติวลอัลลอฮฺวะมะไบนะฮุมะฟะบุดฮูวัสต์บิรลลอิบาดะติ ฮัลท้าเลมูละหูซามียะอัลฮัมดุลิลลาห์รับบุษสัมวาทุวัลลอฮ์พระผู้อภิบาลอัลลอฮ์เนี่ยนะเป็นเจ้าของเป็นผู้อภิบาลแห่งชั้นฟ้าและแผ่นดินวามาไบนาหูมาและในระหว่างทั้งสองชั้นฟ้าแผ่นดินระหว่างนี้นะอัลลอฮ์บริหารจัดการจะเพียงผู้เดียวเอาอากาศก็ดีเมาลากิจาก็ดี อยู่บนใต้ชั้นฟ้าแล้วถึงก่อนถึงแผ่นดินอลัลลอฮ์บริหารหมดนะแม้แต่เนี่ยเครื่องบินที่วิ่งอยู่ในอากาศเนี่ยใครดูแลเรือในมหาส ม, มุทรที่วิ่งแล่นๆอยู่เนี่ยอลัลลอฮ์ดูแลดูแลหมดมนุษย์สร้างขึ้นมาอาลัลลอฮ์ให้สร้างให้ขนสินค้าจากประเทศหไปคุรานมีอธิบายไปหมดแล้วอลัลลอฮ์ดูแลบริหารจัด ก, การแต่เพียงเพียงเพียงตัวเดียวเพราะฉะนั้น อย่าไปกราบสิ่งเหล่านี้อย่าไปกราบโต๊ะตะเกียรโต๊ะระยองอย่าไปกราบมาลาอิกะอย่าไปกราบไซต์ต้นอย่าไปกราบดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เพราะเป็นของอัลลอฮฺแต่กราบใครฝ่าบุดหูจงพักดีต่ออัลลอฮฺองเดียวแต่ท่านการที่เราหันมาพักดีต่ออัลลอฮฺองเดียวนั้นเป็นยังไงฮะดาซิรตุมมุสต์ตีมนี่แหละเป็นทางนำที่ถูกต้องที่สุด ไปครบเซงอื่นนอกจากอนะัลลอฮนขาทุนเขาเรียกว่าคนมุชริกและคนมุชริกนี่นะมีนรกเฉพาะเรียกว่าลาโกลาโกแปลว่าไฟร้อนนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะวะฟาบูธูจงพักดีต่ออัลลอฮฺองเดียวแล้วก็ต่อมาครับวัสตอบิรอเลียอิบาดาติฮีจงอะไรนะ จงแน่วแน่จงอดทนในการแสดงตัวเป็นบ่าวที่ดีของเราต้องอดทนนะวันนี้สร้างความสับสนให้กับมุสลิมเยอะมั้ยเยอะมากนะอาลัลลอฮฺอักุบะจะยึดสุนานะานบีตัวอิหม่ามบางสุราบอกวา่าใครที่เรียนสุนานะนบีตายแม้เข้าไม่ให้ฝังที่กูโบกลัวเลยสิเห็นไหมอลัลลอฮฺสัง่งกับากุบะทู จงยืนหยัดวัสตบิดจงยืนหยัดแน่วแน่กับอัลลอ์กั บ, a, กบรอซูลด้วยคาว่าอัลลอ์รอซูลของคู่กันแต่อิหมามบางสุเราประกาศประกาศแปลกมากใครที่เรียนซุนนะนบีมาตายไม่ให้ฝังในกูโบอัลลอฮ์ศศะเออนะฮัลตาอัลโมลหูซามียเจ้ารู้จักผู้ใดที่มีคุณลักษณะ ฮันตะาลำแปลว่าท่านนะรู้ไหมไหมคนที่มีลักษณะแบบนี้นะ่ะเหมือนพระองค์บ้างไหมคุณรู้จักใครบ้างไ้ยในโลกนี้ที่มีลักษณะเหมือนอ AH นะัลลอฮ์น่ะมีไหมผูอ่านสอนท่านต้าลำลาหูสามียะนอกจากอัลลอฮ์ละเคยเห็นใครบ้างที่มีความสามารถเหมือนอ AH นะัลลอ์น่ะมีไหมตัวตะเกียใช่ไหมไม่ใช่ตัวระยองใช่ไหมไม่ใช่ เอาอะไรล่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายใช่ไหมไม่ใช่น้ําปลาไหลทองใช่ไหมใช่มันไม่ใช่สักอย่างหนึ่งนะถ้าใช่ปัญญาองค์ไม่ใช่สักอย่างหนึง่งแล้วดวงอาทิตย์ใช่ไหมเพื่พปประเจ้าไม่ใช่แล้วอะไรล่ะไม่มีรเรือเดินเนี้เพราะอาลัลลอฮ์สร้างมาไม่ใช่หมดอายุ <c oughs> แค่นั้นยึดอลัลลอฮ์องเดียวทั้งหมดกูนอ่านต้องการจะสอยเรานึกถึงอลัลลอฮ์องเดียวนั้นเองยืนหยัดกับอลัลลอฮ์องเดียวให้นั่นนะครับ ตัวนี้สั่งนะฝ่าบุตถูกจงอะไรนะจงเคารพพักดีต่อพระองค์วัสตอเบียร์เลียอิบาดยติฮีแล้วก็จงแน่วแน่ในการพักดีต่ออวโลกอย่าสับสนอย่าวกแวกพี่น้องอย่าไปเชื่อใครนะอย่าสร้างความสับสนยึดให้มันแน่นนะครับและสรุปก็คือฮาาศิรอตุมมุสตาีนี่แหละเป็นหนทางที่เที่ยงตรงที่สุด Jibat Allah, j i n a h Nabi Muhammad s a l l a l l a h u Alaihi Wasallam. Alukapinon, Subhanakallahumma wa bihamdika, AsyhaduAlla i l a h a illa Anta, Astaghfiruka wa a tubuilaiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.